หมุสาวาทวัคสองอมสวาทาสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวเสียดสีเรื่องพระชพพคี 12. ส, ส, สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพรธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาินทิกาเสถีเหตุกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพวกพิสุชัพพ ป, ปคีทะเลาะกับพวก ภิกษุผู้มีศีลดีงามกล่าวเสียดสีภิกษุผู้มีศีลดีงามด่าศพประมาด้วยชาติกําเนิดบ้านด้วยชื่อบ้างด้วยตระกูลบ้านด้วยหน้าที่การงานบ้านด้วยศิลปะวิทยาบ้านด้วยความเจ็บไข้บ้างด้วยรูปลักษณ์บ้านด้วยกิเลสบ้างด้วยอาบัติบ้านด้วยคําด่าที่หยาบบ้างบรรดาภิกษุผู้มากน้อยจึงตําหนิประนามพนธนาว่าชไหน พวกภิกษุชาบัคีจึงเพเลาะกับพวกภิกษุผู้มีศีลดีงามกล่าวเสียดสีภิกษุผู้มีศีลดีงามด่าศพประมาทด้วยชาติกําเนิดบ้างด้วยชื่อบ้างด้วยตระกูลบ้างด้วยหน้าที่การงานบ้างด้วยศิลปะวิทยาบ้างด้วยความเจ็บไข้บ้างด้วยรูปลักษณ์บ้างด้วยกิเลสบ้างด้วยอาบัตบ้างด้วยคําด่าที่หยาบบ้างเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้น